คุณนาเป็นไงช่วงกันบ้านน่ะเมื่อวานที่ จริงเห็นแค่รูปๆแค่นะเยอะเอ๊ะ ใจมันก็สอนนี่แหละจริงๆแล้วรู้ครับ เทศน์ให้คนอื่นเดินเขย่งก็ไม่เออๆจะหายฟุ้งพอเดินไวๆจริง มันอยากดีอยากสุขอยากสงบจิตใต้สำนึกเนี่ยมันรักตัวเอง กำหนดโน้นกำหนดนี้หาทางแก้ไขหาทางรักษาไป อยากให้ตัวเราบรรลุมรรคผลนิพพานมีแต่ความว่าอยากก็กรรมะตัว พอยิ่งดิ้นหนังก็ยิ่งดิ้นอีกอยากใครๆก็พยายามทํายังไงมันจะ ในว่ากายกับใจเป็นตัวเราเป็นตัวดีตัว ตราบใดที่ยังเห็นว่ากายเป็นๆเรียกว่า นี่ทุกข์ล้วนๆนะเห็นเป็นทุกข์ล้วนๆเลยมันไม่เที่ยงมัน มีสุขๆนั้นอยู่ที่ความเข้าใจของเรานี่ ใจจะหมดความดิ้นรนเรียกว่าตัณหาถูกละไปรู้ เกิดความอยากแล้วใจก็ดิ้นรนแล้วใจ จริงๆแล้วก็คือการวิ่งหาความสุขวิ่งหนีความทุกข์นั่นเองดิ้น ไม่มีใครทําจิตให้ๆก็เห็นขันธ์ 5 เห็นกาย ในสุขปัญญามันก็เกิดเป็นลําดับลําดับไปเนี่ยพอจิตหยุดความดิ้นรน รู้แจ้งในกายในใจแล้วก็พ้นละนั่นรู้ทุกข์นั่น ในญาณ 3 ตัวสัจจญาณกิจจญาณกตญาณเขาบอก กิจญาณเนี่ยก็คือการปฏิบัติเสร็จแล้วรู้ทุกข์แล้ว ไม่เข้าถึงธรรมๆจริงโอ้ <c oughs> เมื่อเราภาวนาไปพวกเรารู้สึกมั้ยบางครั้งเราเกิด พอจะถ่ายทอดออกมานะถึงถ่ายทอดได้ก็โอ้มันลึกซึ้งถึงอกถึงใจมันถึง แล้วการรู้กายรู้ใจต้องบอกตัว ทุกขังอริยสัจจัง ปะริññayıัง ทุกข์เป็นของที่ควรรู้รอบรู้รอบก็ คือคนไทยไปแปลบาลีเนี่ยบางทีแปลๆแล้วมันเคลื่อนจากสภาวะเลยชอบไปแปลว่าทุกข์ให้กําหนดรู้นะบาง อ่ะเชิญๆอาจารย์นวลสิริข้างหน้าดีเบอร์ 25 กับเบอร์ 51 <ม. S 1> เพื่อนสูงได้ได้ยินด้วยปกติเวลาอยู่ธรรมดาเนี่ยจะ แล้วเวลานั่งเราใช้เป็นนะหรือบริกรรมก็ได้ยิ่งไม่นะบาง ลาท่านเจ้าพุทโธพุทโธไปแป๊บเดียวนะไปบริกรรมชื่อแฟนตกใจนะพวกเรานี้ มันก็ปฏิกรรมไปเรื่อยๆค่อยๆเหี่ยวไปเรื่อยๆนะเป็นเรื่องของ ไม่เคยชินในความรู้สึกตัวเคยชินในความรู้สึกตัวใจเผลอไปบ้างรู้ แต่ในความรู้สึกของๆสติๆชีวิตเราถูกตัดขาดเป็น รอบของความคิดความนึกความปรุงความแต่งตลอดเวลา เราคนนี้ไม่เคยหายไปไหนคนนี้ไม่เคยหายไปไหนเราคนความรู้สึกตัวก็ดับอีกก็ หรืออาจจะเกิดความรู้สึกตัวต่อไปอีกครั้ง คิดเที่ยงคิดมีตัวเดียวก็เราเริ่ม เกิดทางตาบ้างทางหูทางจมูกทางลิ้นทาง นี่ให้เราใครเรียนรู้นะจิตใจเราจิต จิตที่เกิดทางตาที่เกิดมีแค่นั้นตานะก็มีแค่จักขุๆๆ ราวคนนี้ก็ราวเมื่อๆอย่างสติเกิดนะความหลงเกิดแล้วก็ดับความ <ข อ. S 1> แต่จิตเนี่ยเกิดดับสื่อมเนื่องกันไปเรื่อย ดูกระภิกษุทั้งหลายนะปุถุชนที่ไม่ได้สดับหมายมันจะรู้สึกได้ว่ากายไม่ใช่ตัวเรา แต่ว่าท่านบอกว่าดูครับภิกษุทั้งหลาย ความจิตๆดูไปเลยจะเห็นว่าเดี๋ยวจิตตรงนี้ก็เกิดใช่จิตลง อะไรทุกคนทั้งโลกนี้นะอยู่ในโลกของจริงๆไม่ได้เป็นนี้เดี๋ยว ถ้าเราหลงไปอยู่ในโลกของความคิดเมื่อไหร่เราจะลืม เข้าใจว่าไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาเข้าใจอย่างนี้ไม่ใช่ เราบังคับเก่งเรารู้สึกบังคับกายได้บังคับใจ จะเห็นอ่ะเพราะคิดเอาเองฟังแล้วต้องคิดใช่มั้ยถึงรู้เรื่องฟัง ฟังแล้วฟังหลวงพ่อพูดแล้วใจไหลไปคิด ให้กายให้คือนักบังคับกายนักบังคับให 22 ปีก็ฝึกบังคับ แล้วก็ไม่ได้เป็ดเครงกายเครงใจนะ ก่อนหน้านี้เป็นเป็นปีแล้วที่มี <c oughs> จะไม่ไม่อธิษฐานขอๆแล้วก็วางไปปั๊บสักพักเอ๊ะอ่าแปลว่า มันไม่ๆ 2-3 วัน 2-3 เรื่อง ในขณะที่เอ่อนั่งตรงนั้นมันแวบเรื่อง ก็ได้ก็ได้อยู่ตรงมา ยังไม่ทันจะหมดเรื่องนี้มันไปจับเรื่องอื่นทุกอีแล้ว เจ้าบอกว่ากายเป็นคูหาเป็นถ้ํารู้สึกมั้ยให้จิตอาศัยอยู่นะ เนี่ยถ้ารู้แจ้งรู้จริงนะจะวางไปเขาๆถ้าทําอยู่อย่าง เนี่ยเคสอาจารย์วาสุรีนะคนจะไปพูดกัน สมาธิอันเช่นไปรู้ท้องจิตก็ไปอยู่ที่ท้อง มุ่งไปตรงจริงๆ ตัณหาอุปาทานตัณหาก็คือความทยานของจิตที่ทยานไหลออกไป ถ้าเรายังคิดว่าไม่เอาไม่เอาเนี่ยเพราะมันยัง แต่ว่าอันอย่างเดิมที่ทํามาได้สมถะนะในสมถะ กายนี้เป็นเที่ยวไปเร็วมากหาให้จิตอยู่นึกว่าจะหาความสุขนี้เที่ยวน่ะอาศัย จะเห็นๆ <Conc> <basement> ญาณนฤศรีรู้ใช่มั้ยในนี้มันโล่งมันเบาไปหมดที่ภาวนาทำไป <krit> เรารู้สภาวะจิตมันจะเกิดความยินดียิน <t> <úc ados> เหลือแต่สภาวะรู้รู้ล้วนๆเลยแล้วแล้วตัวที่ สรุปง่ายๆนะอาจารย์นวลสิริเมื่อใจรู้ธรรมารมณ์ความยินดียินร้าย มันเข้าใจอ๋อ 2-3 แต่ ได้พบหลวงพ่อใช่มั้ยเจ้าค่ะแล้วก็พระครูบาอาจารย์รู้สึกเสียง เดี๋ยวมันก็วิ่งไปดูเดี๋ยวมันก็ๆแล้ว ของเช่นพอเห็นเจ้าค่ะรู้สึกอย่างนี้ไม่ดีเจ้าค่ะวันไหนจิต ขณะที่เดินดีบ่อยๆนะ ไม่ห้ามนะครับยิ่งหลุดบ่อยยิ่งดีไหลแวบครับแต่ถ้าเราไปรักษา ที่ไปคือไปไปไปที่น่ากลัวนะครับเรา เนี่ยอยู่จิตก็คลายออกมาเองอืมก็เลยรู้ว่าจิตนี่เราบังคับไม่ได้ใช่ต้องนานอืมสักพักครับเอ่อ ปฏิบัติไปบางครั้งมันเหมือนจิตมันเออตรงนี้ไม่ใช่นะตรงนี้ใช่อ่ะไม่ได้ถูกนะขนาด มาทุกเมื่อ 40 เจ็ดจักรวาลอ่ะตอนแรกเออๆนะหลวงพ่อไม่ดีก็ได้ว่าเลยนะค่ะ ก็เอ่อรู้สึกเป็นเต้นค่ะเรียนบอกให้ค่ะแล้ว บางวันเนี่ยสติสมาธิปัญญาเกิดทียิบเลยเหมือนมรรคผลอืม ช่วงนี้แล้วก็จะมัวมัวค่อนข้างมากเหมือนมันจะเห็นว่าเหมือนกับเราเกรงตัวเองหมดเลยไม่แน่ ถูกแล้วดูเป็นไงนะดูค่ะแล้วคือเหมือนกับเรารู้สึกเหมือน เวลาทําอะไรไม่ถูกทําสมถะก็ทําสมถะไปจิต แล้วพอจับแล้วรู้สึกมั้ยมันก็ๆแหละนะแล้วก็เห็นกิเลสได้ดี นะการเราจะคิดว่าเราเป็นคนดีนะเราเห็นกิเลสตัวเองๆเนี่ยนั้น เราดูของเราให้ชํานาญนะต่อไปเราก็รู้ของ แต่ก่อนนี่เข้าใจผิดคิดว่าเอ๊ะช่วงนี้เราเราไม่ได้ เนี่ยคือต้องไปดูจิตตสังขารมันก็ไปแช่อยู่มันก็ เราไปเห็นๆสักคนนึงเด็กคนนี้เดี๋ยวก็หัวเราะเด็กคน มันเป็นไอ้กิเลสที่ไหนก็ไม่รู้แอบมาอยู่ในบ้านนี้ครับ เน้นแน่นขึ้นมาถ้าบังคับแรงนะก็แน่นเออเรารู้แต่หนักทางข้อ 5 ครับเวลา ข้าราชการเนี่ยผู้ใหญ่มันชอบกินเหล้าค่อยๆเปลี่ยนไปพอนานๆไปเค้าเห็นเราไม่<ๆ> แล้วอย่างพอเราโตขึ้นไปโตขึ้นไปนะต่อเนี่ยทํา <laughs> นี่หลังมันก็เข้าใจนะเออใหม่นะ ได้อยากไปโกงเค้านะรู้สึกเคยกลัวมั้ยเคยกังวลมั้ยกังวลเคยอิจฉา เห็นไม่ๆการดูจิตทั้งๆหน่อยนะๆหน่อยนะๆนะเด็กเล็ก รู้จักกลัวมั้ยรู้จักรู้จักกังวลมั้ยเรานึกว่าเนี่ยเด็กหันไปมองน้องหน่อยนึง กลัวแม่รู้ความจริงนะก็จริงๆแต่ละๆแล้วๆนะๆเช่นเราฟังธรรมะของหลวงพ่อพูด ความรู้เกิดขึ้นมาแล้วก็หายไปเกิดขึ้นมาแล้วก็หายไปความสุขมาแล้วก็ไปอยู่ทุกอย่างมาแล้วก็ไปหมดเลยใครไม่มีอะไรที่เที่ยงแท้ถาวรไปได้ เรเรามีปัญญาแล้วรู้ว่าความทุกข์มันชั่วคราวเวลา พระญาณวศิริใครรู้นะอ่ะไปถึงไหนค่ะวันนี้ก็เห็น แล้วทุกวันก็คือคิดว่าทําเหมือนเดิมอ่ะค่ะแต่แต่ มาครั้งนี้มาครั้งแรกค่ะยังไม่ค่ะ เราก็ทําให้ให้นะดูไปนะค่ะให้ดูไปเรื่อย พัฒนานะดีแล้วให้ทําไปเอาซีดีหลวงพ่อไปฟัง <c oughs> จิตเป็นอิสระไม่ถูกเบอร์ 51 เบอร์ 25 ดีดีแล้วดี <c oughs> เราสืบอายุศาสนาก็ได้เราลดอายุศาสนาก็ได้งั้นเราเช่นกาย จิตมาอาศัยอยู่ๆไปวันนึงก็เข้าใจอริยสัจ 4 ท้องทำจังหวะขยับมือมีเท่านี้จังหวะนะหายใจง่ายที่ ให้เดินท่านี้ท่านี้ท่านๆแต่ คารวะไปหาท่านๆนะภิกษุทั้งหลายนะเมื่อนั่งอยู่ก็รู้ว่านั่งอยู่ รู้ว่าไหลเดินรูปเหมือนเดิมวัตถุก้อนธาตุนี้เคลื่อน ไม่มีใครอุทธานสักคนนะว่าสับสนจังพระเจ้าค่ะยาก เสียอสงไขยแสนมหากับๆเส้นนี้แหละทางที่คนนึก <auf thr ix> ทุกอยู่ตรงเลยเข้าไป ให้กายทํางานให้กายยืนเดินนั่งเนี่ยเห็นพื้นที่หายใจเข้า จิตใจเราทํางานทั้งวันทั้งคืนไม่ แค่พยายามจะมันอยากเป็นอย่างอื่นขึ้นนิดเดียวก็ทุกข์ขึ้นมา จิตจะโลภจะโกรธจะหลงอะไรก็เหมือนๆกันจิตจะ จะเห็นๆไปไปเนี่ยนะโหเอ้ามีคุณไหนๆ ได้ส่งค่ะหลวงก็พอ 1 ก็ปฏิบัติก็ได้ๆ เล่มนั้นไม่ใช่ของเรเด 9 เดือน 9 ขึ้น 15 10 ก็ไม่กล้าที่จะไปๆพอสุดท้ายก็ส่งหนังสือนาง จิตนี้ก็ไม่เที่ยงเพราะจิตไม่เที่ยงมัน สภาวะสูงสูงจิต 15 16 เนี่ย ไม่รู้ว่าซึ่งเราคงไม่เสียชาติเกิดแล้วชาตินี้หรือเสียใจหรือยังไงว่าเรานี้ แล้วจะยึดถือๆไม่มีไม่มีก็ไม่มี ไม่แน่ใจเพราะว่าไม่มีสิ่งที่ ปัญญาแต่ตรงนี้เป็นจินตายกตัวอย่างเนี่ยยัง ไม่เคยว่าใครเลยแม้กระทั่งกรณี ก็บอกว่าช่วงที่เห็นรูปนามเกิดทํา ก็ไม่รู้ว่าเป็นภาวนาหรืออะไรหรือจินตาหรือเป็นเป็นเป็นอ่าสุตะโยภะเป็น